คงแค่บอกเธอได้แค่เพียงฝ้าเธอไปรักเขาแทนฉันทีก็ในวันนี้เขาเดาลือเธอเธอคนทุกสานดีอย่างเธอแค่แค่สำหรบเขาจะไม่รักได้ไงฝ่าเธอไปรักเขาแทนฉัน อยากบอกให้เธอเข้าใจที่พูดมาไม่ได้น้อยใจไม่ได้จะไม่เชื่ที่เขายกใจไปให้เธอรู้ว่าเขาและเธอก็หมาะสเกันดิวแลีเขา แทนฉันนิทิสฝ่ e ยเธ y ไ i ่ไร้เขาที่